รวมพระสูตรที่มีในวรักนี้คือ 1. ภูตะสูตร 2. กัลารสูตร 3. ญาณวัตถุสูตร 4. ทุติยายาณวัตถุสูตร 5. อวิชาปัจยสูตร 6. ทุติยอวิชาปัจยสูตร 7. จ็ดนตุมหสูตร 8. เจตนาสูตร 9. ทุติยเจตนาสูตร 10. ตติยะเจตนาสูตร 5. ้าขหาปฏิวัค์หมวดว่าด้วยขาหาบดี 1. ปัญจเวรพยสูตรว่าด้วยภัยเวนหประการ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เกรครงสาวัตถีครั้งนั้นแหลท่านอนาถบิณกะเศรษฐีก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านอนาถบิณิกะขหบดีดังนี้ว่าขะหบดีเมื่อใดแลภัยเวรห้าประการนี้ของอริยสาวกสงบแล้วเมื่อนั้น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 เราเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้จะตัสรู้ในภายหน้าอย่างแน่นอนภัยเวนหประการสงบแล้วเป็นอย่างไรคือ 1. บุคคลผู้ฆ่าสัตว์ย่อมประสบภัยเวนใด ซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยภัยเวนนั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาด จ, จากการฆ่าสัตว์สงบแล้วด้วยประกา ร, รชนี้ 2. บุคคลผู้ลักทรัพย์ย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัย ภัยเวร น, นั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์สงบแล้วด้วยประกาศนิสามบุคคลผู้ประพฤติผิดในครามย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมิในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการประพฤติผิดในครามเป็นปัจจัยภัยเวร น, นั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในครามสงบแล้วด้วยประการศนิ 4. บุคคลผู้พูดเท็จย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสรษทุกโทมนัะทางใจบ้างเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยภัยเวร น, นั้นของอริสาวกผู้เว้นขาจากการพูดเท็จสงบแล้วด้วยประการฉนี้ 5. บุคคลผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยย่อมประสบภัยเวรใด ซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจัยไพเวนนั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทสงบแล้วด้วยประการฉนี้ไพเวนหประการ น, นี้สงบแล้ว อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปติผลสี่ประการเป็นอย่างไรคือ 1. อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพระเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก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 เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักสินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 4. ีาอริยสาวกผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะปราถนาอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญอันตัญหาและทิฏฐิถูกต้องไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธิ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 แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาขหาบดีเมื่อใดแล้พภายเวนห้าประการนี้ของอริยสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปติผลสประการและยายะธรรมอันประเสรศิฐที่อริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอริยสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรตนด้วยตนเองได้ว่า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 2. ทุติยปัญจเวระพยะสูตรว่าด้วยภัยเวรหประการสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อได้แลภัยเวรห้าประการนี้ของอริยสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปัิผลสประการและยาาณธรรมอันประเสริฐ ที่อริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอริยสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรตนด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วละถึงมีอันไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเป็นผู้จะตรัสรู้ในภายหน้าอย่างแน่นอนภายเวรห้าประการสงบแล้วเป็นอย่างไรคือหนึ่งบุคคลผู้ฆ่าสัตว์ละถึง 2. บุคคลผู้ลักทรัพย์ 3. บุคคลผู้ประพฤติผิดในกาม 4. บุคคลผู้พูดเท็จ 5. บุคคลผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะเศพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยและถึงภัยเวณหประการนี้สงบแล้วอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปัิผล4ประการเป็นอย่างไรคือ 1>, 1. อริยสาวกในธรรมวิในนี้ผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าละถึง 2. ในพระธรรม 3. ในพระสงฆ์ 4. อริยสาวกผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะปรารถนาละถึงอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปติผลสี่ประการนี้ ยายธรรมอันประเสริฐที่อริยสาวกเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมมนสิการปฏิจจสมุบาทโดยแยบคายละถึงภิกษุทั้งหลายยายธรรมอันประเสริฐที่อริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแล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 ความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจากขูและรูปจากขูวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพบจึงดับเพราะภพดับชาตจึงดับเพราะชาตดับ ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมานัตและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการฉนี้ความดับแห่งทุกเป็นอย่างนี้แหลเพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดและถึงเพราะอาศัยคานะและกลิ่นเพราะอาศัยชิวหาและรสเพราะอาศัยกายและโภทภะ เพราะอาศัยมโนโและธรรมรมมโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแผงทำสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพบจึงดับเพราะภพดับชาตจึงดับเพราะชาตดับชรามรณะ โซกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุบายาจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนี้ภิกษุทั้งหลายความดับแห่งทุกขเป็นอย่างนี้แหลทุกขสูตรที่สามจบ สี่โลกสูตรว่าด้วยโลกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงความเกิดและความดับแห่งโลกเธอทั้งหลายจงฟังและถึงความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจากขู่และรูปจากขูวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงเกิดเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงเกิดเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาจึงเกิดความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างนี้แหล เพราะอาศัยโสตะและเสียงเพราะอาศัยคานะและกลิ่นเพราะอาศัยชิวหาและรสเพราะอาศัยกายและโผฏฐะเพราะอาศัยมโนโและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประโสะแพงทำสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดและถึงเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกโทมนัส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 เพราะอุปาทานดับพบจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้ความดับแห่งโลกเป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยโสตและเสียงเพราะอาศัยคานะและกลิ่นเพราะอาศัยชิวหาและรสเพราะอาศัยกายและโผฏฐะเพราะอาศัยมโนและธรรมารมมโนวิญญาณจึงเกิด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 โลกะสูตรที่สจบ 5. ยาญติกะสูตรว่าด้วยการแสดงธรรมณหมู่บ้านยาติกะข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้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 เพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดและถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนีเพราะอาศัยโสตและเสียงเพราะอาศัยคานาและกลิ่นเพราะอาศัยชิวหาและรสเพราะอาศัยกายและโภภพธะะเพราะอาศัยมโนโและธรรมารมมโนวิญญาณจึงเกิดความปัจจวบแห่งธรรมามประการเป็นผัสสะ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 พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นผู้ยืนแอบฟังอยู่ได้ตรัสถามภิกษุนั้นดังนี้ว่าภิกษุเธอได้ฟังธรรมบัญญายนี้หรือไม่ข้าพระองค์ได้ฟังอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุเธอจงศึกษาธรรมบัร ญ, ญายนี้จงเล่าเรียนธรรมบัร ญ, ญายนี้จงทรงจําธรรมบัร ญ, ญายนี้เพราะธรรมบัญญายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ญาติกะสูตรที่หจบ 6. อัญญตระพราหมณสูตรว่าด้วยพรา์ผู้หนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคกรุรงสาววัตถีครั้งนั้นแล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 นี้เป็นที่สุดอย่างหนึ่งท่านพระโคดมก็คนอื่นทําเหตุคนอื่นสวยผลหรือพราหม์วโวหานนี้ว่าคนอื่นทําเหตุคนอื่นสวยผลนี้เป็นที่สุดอีกอย่างหนึ่งตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมี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 พราหมน์นั้นเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมพระภาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคโดมพระภาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคโดมโปรดทรงจำข่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอัญญตาระพราหมณสูตรที่หก ชานุโสนิสูตรว่าด้วยชานุโสนิพราหม์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหลชานุโสนิพราหม์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรครั้นแล้วชานุโสนิพราหม์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคโดมสิ่งทั้งปวงมีหรือพราหม์โวหารนิว่า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 ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนีอันหนึ่งเพราะอาวิชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชานวโสนิพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดม พระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคโดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงเป็นอุบาสกพูดถึงสาระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตชานุโสนิสูตรที่เจ็จบ โลกายติกะสูตรว่าด้วยพราหมณ์ผู้รอบรู้คำภีรโลกายะตะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้น แ, แลพราหมณ์ผู้รอบรู้คำภีร์โลกายะตะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับละถึงนั่งณที่สมควรครั้นแล้วพราหมณ์ผู้รอบรู้คำภีร์โลกายะตะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ท่านพระโคโดมสิ่งทั้งปวงมีหรือพรามข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีนี้เป็นโลกายตะข้อที่หนึ่งท่านพระโคดมก็สิ่งทั้งปวงไม่มีหรือพรามข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีนี้เป็นโลกายตะข้อที่สองท่านพระโคดมสิ่งทั้งปวงมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันหรือพรามข้อที่ว่า สิ่งทั้งปวงมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันนี้เป็นโลกายตะข้อที่สท่านพระโคดมก็สิ่งทั้งปวงมีสภาพต่างกันหรือพรามข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีสภาพต่างกันนี้เป็นโลกายตะข้อที่สตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมี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 รามผู้รอบรู้คำภีโลกายตะเดียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมพระพาสิทธของพระองค์ชัดเจนไพเรายะยิ่งนักท่านพระโคโดมพระพาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเรายะยิ่งนักและถึงผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตโลกาติกะสูตรที่8จบ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 เพราะอะไรมีวิญญาณจึงมีเมื่ออะไรมีนามรูปจึงมีเมื่ออะไรมีสลายตนะจึงมีเมื่ออะไรมีภาษะจึงมีเมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเมื่ออะไรมีตัณหาจึงมีเมื่ออะไรมีอุปาทานจึงมีเมื่ออะไรมีภพจึงมีเมื่ออะไรมีชาติจึงมีเมื่ออะไรมี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 ภาษาจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีภพจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีชาติจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีโดยที่แท้อริยสาวกผู้ได้สดับ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 เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิจีบ้างและถึงดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้างอริยสาวกาสูตรที่9จบ 10. ทุติยาอริยสาวกาสูตร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 เมื่อนามรูปมีสลายตระจึงมีเมื่อสลายตระมีภาษะจึงมีเมื่อภาษะมีเวทนาจึงมีเมื่อเวทนามีตัณหาจึงมีเมื่อตัณหามีอุปาทานจึงมีเมื่ออุปาทานมีภพจึงมีเมื่อภพมีชาติจึงมีเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมี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 เมื่ออะไรไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มีละถึงอุปาทานภพชาติเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีโดยที่แท้อริยสาวกผู้ได้สดับจึงมียานอย่างรู้ในเรื่องนี้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 รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปัญจเวระพยสูตร 2. ทุติยปัญจเวระพยสูตร 3. ทุกขสูตร 4. โลกะสูตร 5. ญาติกะสูตร 6. อัญญตระพรามนสูตร 7. ชานุโสนิสูตร 8. โลกายติกะสูตร เก้อริยะสาวะกะสูตร 10. ทุติยะอริยะสาวะกะสูตร